พึงพากันตั้งใจสรวงมใจของตนให้แนวแน่ไม่มีอะไรใ น, ในโลกอันนี้ที่จะไปดีกลัวการอบรมจิตใจนี่การทำอย่างอื่นมันก็เป็นการชั่วคราว เห็นการหาเงินหาทองหาลาบหายศอะไรต่างๆในโลกอันนี้นะมันก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเป็นของไม่ยั่งยืนส่วนการกระทำในใจโดยอุบายแยบใคร ฝึกให้ใจในเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยน่าเป็นการงานที่มีผล อ, อย่างมั่นคงท้าวรเพราะจิตนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันจะไม่หมุนไปทางชั่วมันจะตั้งอยู่ในคุณงามความดี เลื้อยไปเหมือนอย่างช่างมาวัวควายที่เขาฝึกคลาดนาไถนาลากไม้ลากล้อลากเกวียนอะไรมูนี่ถ้าเขาฝึกแค่มันเป็นแล้วมันทำได้ดังที่มนุษย์ต้องการแล้วมันก็ไม่กลับกอก ปีได้เอาไปใส่คาดใส่ไทยมันก็ยังเดินไปได้สะดวกคล่องแคล่วอยู่นั่นแหละฉันได้จิใ จ, ใจในี่เมื่อฝึกให้มันดีต้องดีจริงนะดีธรรมดาก็ใช้ยังไม่ได้ดีต้องดีจริงดีดีจริงดียังไงอะ ดีมาเขาว่าจิตดีตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมละเว้นจากบาปอากุศลทั้งหลายให้ได้ในวันนี้เมื่อละบาปอากุศลออกจกา ก, กจิตใจแล้วก็มามองดูสิภาวะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้ มันก็ล้วนแต่ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนทีแรกมันก็แข็งแรงดีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็ปกติไม่แปรปวนเมื่อเข้าถูไวัยกลางคนหรือวัยชราเข้ามาแล้วร่างกายนี้ก็ยอมทรุดโทรมไป ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนกําลังกระทดถอยน้อยลงไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้นี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงมันจึงรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเรารูปร่างกายอันนี้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ มันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าทุกคนยอมไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่ชอบก็จําเป็นต้องได้รับเพราะกฎธรรมดาวมันมีอย่างนั้นนี่มาพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือว่าขันห้าดีเป็นตัวเป็นตน หลวังเฉยต่อขันห้านี้ให้ได้อย่าเสียใจดีใจอย่าดีใจในเวลาขันห้านี่มันปกติโลกภัยไม่เบียดเบี้ยนกินได้นอนหลับอย่าไปไว้ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปความปกติของร่างกายนั่นย่อมมีเป็นครั้งเป็นคราว เนี่ยเมื่อเวลามันมวิบัติลงก็จะไปเสียใจก็ต้องรู้กฎธรรมดาของมันรู้ไปแต่เนิ่นๆเนี่ยรู้ไปแต่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเวลายังไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่กาหนดรู้ร่วงหน้าไว้ไม่กาหนดรู้เท่าไว้ก่อนเวลาความเจ็บไข้มาถึงเข้านั่นสิ จิตใจมันป่วนปันเหนือร้อนทั้งกลัวตายก็กลัวตายความกลัวตายนี่แหละจะมาสำคัญมากนะทุกคนในสอนตนไว้อย่าให้กลัวตายถ้ามันเกิดกลัวตายขึ้นในเวลานั้นแล้วมันจะไม่มีสติปกครองคุ้มครอง จ, จิตใจ จิตใจจะเรื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลสนี่นะทามันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวตาย อ, อันเนี้ยให้พาคระมัดระวังไว้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปประมาทยอย่าไปสำคัญว่าเรารู้แล้วแล้วก็ไม่สนใจที่จะเป็นเรื่องความตาย ให้บ่อยๆจนเกิดงานความรู้ขึ้นเมื่อเมื่อมไม่เกิดงานความรู้ขึ้นมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในความตายนี่มันก็กลัวอยู่วันยังค่ำแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงทรงสอนนี่พิจารณาคมตายในทุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายอถึงว่าความตายนี่มันเป็นของที่เราจะรู้ได้ล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อลมหายใจนี่หยุดลงเมือ่อใดก็ตายเมื่อนั้นเมื่อลมหายใจนี่ยังมีอยู่ก็ยังไม่ตาย นั่นแหยะถึงว่าท้านยังสอนให้พิจารณาลมหายใจในี่เสมอเสมอเมื่อพิจารณาอยู่ยนี่มันจะเห็นแจ้งขึ้นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายสังขานร่างกายนี่มันแตกดับไปต่างหากสังขานร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรา ก็จะไปถือว่าเราจะตายยังไงเล้วนี่ก็เมื่อเห็นแจ้งอยู่ว่าขันดังห้านี่เราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยอย่างนี้นะมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วยังจะสําคัญว่ามีตัวตนอยู่หรือยังสําคัญว่าเรากําลังจะตายอยู่อย่างนี้นะ เมื่อไปสำคัญอยู่นั้นก็ชื่อว่าไม่ไม่ปล่อยไม่วางขันทั้งห้าอันนี้เนี่ยจิตยังยึดยังเถืออยู่ถ้ามันปลงมันวางจริ ง, งได้จริงมันเกิดงานความรู้ขึ้นมาในเรื่องตายตามเป็นจริงมันก็ไม่สำคัญว่ามีคนตายมีสัตว์ตายมีเราตาย มีแตธาตุสีขันห้ามันแตกแยกออกจากกันไปเท่านั้นเองนะเมื่อไฟเผ า, าเสร็จแล้วก็วกยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนะอก็คนอื่นตายให้เห็นเป็นสักีพยานอยู่แล้วนะ เราจะไปสงสัยอะไรเรื่องความตายสอนตนเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อสอนตนเข้าไปอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยบ่อยเข้าอา่ามันก็มองเห็นความตายนี่อยู่ลำไรอยู่แล้วแต่มันคิดเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันก็เบาวางลงมานี่ความทะเยอทะยานอยา ไปในสิ่งที่รักที่ชอบใจต่างๆของมันมันก็เบาบางลงไปเี่เจรณาบ่อยๆเข้าไปทสดตัณหามันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นแหละระ ง, งับไปเท่านั้นอา้าเมื่อความอยากมันระ ง, งับไปแล้วก็ไม่ต้องทำมาหาเรื่องชีบอะไรเหลอก็จะปล่อยให้ ร่างกายนี่มันแตกดับไปเลยโดยไม่ต้องหาปัจจัยอะไรมาเรียงมันเหลือบางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้จึงขอเฉลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากในที่นี้ไม่เอาว่าความอยากให้ร่างกายนี่มันมั่นคงท้าวลไม่อยากให้มันแก่ชรา อยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปนี่ความอยากอันที่มันก่อให้เกิดทุกข์ทางใจท่านนะแต่ว่าธรรมดาผู้มีปัญญาถึงไม่อ ย, อยากอย่างนี้แล้วแต่ก็อยากตามธรรมชาติธรรมดามันเช่นอยากข้าวอยากน้ำ อยากหลับนอนอยากพักผ่อนร่างกายอันมู่นี่มันเป็นความอยากประจำขันขันอันนี้ถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มันไม่เกิดหิวอาหารไม่อยากอาหารอย่างนี้มันกใกล้ต่อตายแล้วอันนั้นน่ะอันนี้ถ้าถ้าขันนี้ยังปกติอยู่ ถึงเวลาหิวมันก็ต้องหิวถึงเวลาอยากมันก็อยากความอยากอันนี้ถ้าบุคคลมีปัญญารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไปอย่างใดเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้เท่าว่าธาตุสี่ขันา์นี่มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไ ม, ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็หิวแห้งแตกดับ ทำลายไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้กฎแห่งกรรมมันมีอยู่เกิดมาแล้วมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วจำเป็นต้องหาเลี้ยงมันผู้ใดคิดอาฆาตตัวเองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ไปในโลกนี้ก็ไม่มีความสบายอะไรมาตายเร็วๆเสยเลยดีกว่าง ไปทำอัตตะวิลิกรรมวิลิกรรมคือหาทางทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการดื่มยาพิษบ้างยิงตัวตายบ้างโมนี้นะอันนี้เรียกว่ามันทำเกินกฎธรรมดาไปมันก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมเวนแนละทีนี้ติดสอยห้อยตามสนองไปเกิดภัยชาติได้ ถึงเวลากรรมมันให้ผลแล้วก็มันมันจะมีเรื่องมายุให้จิตใจมันเกิดความโกรธความโศกเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงอะไรหมดนี่เกิดกุ่มจิตกลุ่มใจขึ้นมาแล้วก็ไม่โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะความรู้สึกอะ่ะถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ทําลายตัวเองได้แหละคนเรานะนี่มันเป็นอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่พิจารณาให้รู้เท่าความจริงของชีวิตดังกล่าวมานั่นนะเนีน่มักจะฆ่าตัวตายเมื่อประสบภัยพิบัติไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าบุคคลมาพิจารณาถึงกรรมถึงผลของกรรมได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายแม่เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากละบนจากเพียงใดก็ตาม ผู้รู้ทำของจริงก็ย่อมอดย่อมทนเพราะว่ารูปร่างอันนี้มันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเช่นนี้แล้วมันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมันเป็นเวรก็ศึกษาให้รู้ไว้แต่เนินเน่นๆเลย ถ้าไปถึงเวลาทับขันมาอย่างนั้นมันไม่ฟังหรอกมันนึกไม่ได้หรอกเรื่องมันนะที่เขาทํานองเขาว่านั้นห่างหน้าจวนนกเงี้อเนี่ยหน้าไม่ี่เมื่อได้ห่างขึ้นง้างขึ้นสายมันเอาสายมันมาใส่ไกลมันไว้แล้วอย่างนี้นเลงไปแล้วมันจะไม่ลั่นไกไม่มีหรอก มั่ น, น่ยมันตรงลั่นอันนี้ชั้นใดบุคคลเมื่อกุ้มใจมาเต็มที่แล้วคิดฆ่าตัวตายลงไปแล้วมันไม่ฟังแหละเมื่อมีอะไรจะมาต้านทานได้เ็าต้องฆ่าตัวตายดีๆคนสมัยนี้ยิ่งฆ่าตัวตายมากเมื่อ มันไม่ได้สนใจทำว่าคำสอนพุทธเจ้าแล้วมันก็เบื่อหน่ายในชีวิตนี่แต่ถ้าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าโดยละเอียดถีท่วนแล้วจะรู้ได้ว่าออร่างกายนี่มันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเราสร้างกรรมทีแรกคนะ เราทํากรรมชั่วใส่ตัวเองเช่นไปฆ่าผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะกรรมนั้นแหละมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อจนมาเกิดในโลกนี้อีกถึงเวลากรรมนั้นมันให้ผลแล้วมันก็ให้คิดฆ่าตัวตายต้นเหตุมันเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไป กุ้มใจไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อรู้ว่าตนมีครมีเวรอย่างนี้แล้วก็ได้เสวยทุกเวทนาอันนี้ก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายก็ภาวนาให้รู้เท่ามันเสียว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วมันจะอยู่ในบางคบบัญชา ย, ยังไงอ่ะ จะบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้มันหายเจ็บให้ป่วยมันก็บังคับไม่ได้เมื่อรู้แจ้งอันนี้แล้วก็วางตามสภาพมันเอ้ามันจะแปรปูนไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันจิตนี่จะต้องกําหนดมีสติกําหนดรู้เท่ามันตามไปจริงอย่างนั้นไปสความจริงมันเป็นยางไรไปเราก็ตามรู้ตามเห็นตามไปจริงไปอย่างนี้นะ เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนใจเนี่ยมันก็ปร่งตกลปงได้เออเราหาักหลงไหลมาอาศัยอยู่ในรูปนามอันนี้เราสร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาแต่ก่อนนน่นน่ะถึงข่าวกรรมชั่วมันในผลมันก็ต้องเกิดความวิบัติในร่างกายสังขารนี้แน่นอนเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าตนไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้เบียดเบียน บุคคลเเรและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนหลังแล้อย่างนี้ตนเจริญเมตตากรุณาช่วยเหลือเกิดคุณแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันมาอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้มันก็ไม่มีคำเวณตามสนองก็มีแต่กุศลคุณงามความดีมันทำชีวิตคือร่างกายสังขารอันนี้ให้มีกำลังวางชาดี ให้แข็งแรงดีไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อผู้ใดมีกำลังวางชาดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำกรรมชั่วไม่ได้ฆ่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาจากก่อนหรือว่าได้ฆ่ามาได้ทำลายมาอย่างนั้น แต่ได้จะไปเสวยผลของกรรมนั่นเต็มที่แล้วกรรมั่ว น, นี่ยมันหมดอายุลงแล้วอย่างงี้นะมีแต่กรรมดีมาให้ผลร่างกายอันนี้จึงสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถึงสมบูรณ์ยังไรมันก็ไม่ฟังเมื่อหมดบุญเก่านั้นลงไปแล้วมันก็แตกดับทำลายลงดังที่เคยพูดบ่อยๆ อ, อยู่นั่นแหละ พวกคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้จึงนํามาพูดม้อยบ่อยเมื่อไม่สนใจเรื่องคําเรื่องผลของคานี่แหละคนเรามันจึงเป็นภูมิมากอยู่นี้นะเป็นอะไรมาวิบัติอะไรมาก็ร้องควรค้างร้องหาสิ่งศักดิ์สิทธต่างๆมาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรมันก็คว้าไข่ขไปทั่วนะจิตตใจนะั่นนะวาจาก็บุญเพ้อไปตาม กระแสจิตนั่นแหละถ้ามีแต่ความทุกขุมลมอยู่ในหัวใจนั่นผู้ใดที่ประมาทไม่ภาวนาไม่พิจารณาร่างกายสังขารนีเห็นตามเป็นจริงก็ย่อมได้ประสบกับความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แหละก่อนตายกระวนกาวายกระเสือกกาสนไม่มีสติประคองจิตของตอน บาปกรร ม, มันก็ได้ช่องมานี้นะตั่นี้มันก็บีบบังคับเอาร่างกายนี้ให้ตายเร็วๆ เ, เข้าอันนั้นดังนั้นนะ่ะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปมีตามเป็นจริงอย่าไปถือมั่นว่าเป็นเป็นเนราเป็นขอ ง, ของเรา เบอกจิตสอนจิตี่ให้ปรุงให้วางอยู่เสมอเสมอเราเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใส่ตัวตนกว่าจริงแต่เมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแธ่กอนยังไม่หมดเราจะไปทำลายตัวเองเสียก่อนอย่างที่ว่ามานัน้มันก็ไม่ถูกต้องตามกฎธรรมดามันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปมดังนั้นทางที่ดี เราต้องกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วพิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกไปดูไหนที่ว่าตัวเราเนะี่ยไม่มีเมื่อมันแตกทําลายลงหากไม่เผาอย่างนี้นะมันก็เน่าเปื่อยน้ําหนองน้ําเลื้งธาตุน้ำมั น, นก็กระจายไปส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วอย่างนี้นะ ธาตุดินเนื้อหนังวางสาผมขนเล็บฟันอะไรหมูนี้มันก็เปื่อยเน่าผูกพังลงไปเป็นธาตุดินของเก่านั่นแหละมันมันจะไม่เป็นอะไรนี่มันก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายแต่คนไม่ค่อยจะสนใจพิจารณาเมื่อไม่สนใจพิจารณามันก็หลงยึดหลงถือว่าเป็นของเรา อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลามันวิบัตรแริแปรปวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้ประมาทไในฝึกจิตใจของตนเองอดังนั้นผู้ใดเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีมีบุญวัดรนา ที่ตนได้ส่งสั่งสมอบรมมารู้ตัวแล้วก็จึงไม่ควรประมาทควรพากันรีบเร่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นแจ้งในรูปในกายอันนี้ตามเป็นจริงมเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงอยู่แล้วเห็นอยู่ตลอดเวลานะ ไม่ใช่เห็นเป็นครั้งเป็นคราวต้องให้รู้ต้องให้เห็นอยู่เรื่อยไปเป็นอย่างนั้นมันจึงรับประกันความทุกข์ใจได้มันจึงรับประกันความหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ได้เมืม่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ทำความรู้เท่าทุกข์ทุกข์นี้มันเป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์อะไร ขันห้าไม่ได้มีในตนตนก็ไม่ได้มีในขันห้าขันห้าก็ไม่ได้เป็นตนตนก็ไม่ได้เป็นขันห้าอย่างนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันก็ไม่หวาดหวั่นพันพึงเพราะมันรู้มันเห็นว่าไม่ใช่เราตาย ธาตุสี่ลีน้ำไปลงมันแตกกระจายออกจากกันไปเฉยๆนี่คำว่าสัตว์ว่าบุคคล น, นั่นก็สมมุติเอาเฉยๆสมมุติว่ากันเท่านั้นเองแต่เมื่อละสมมุตินั่นออกแล้วพิจารณาดูให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ ไม่ใช่อย่างอื่นได้เป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเมื่อพิกาจรนาด้วยปัญญาเห็นจริงแล้วนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะนี่แหละคาว่าการฝึกฝนจิตใจให้ดีจริงตามที่หัวข้อที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั่นนะ่ะต้องให้ดีจริงต้องให้รู้จริงในร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้ มันจึงไม่หลงห่วงเสวยทุกททนทรมานอยู่ในโลกนี้บางคนก็อะไรแล้วอะไรโลกสันนิวัดอันนี้อยากจะเที่ยวเกิดมาอยู่เรื่อยแหละเพราะอะไรมันนี่เมื่อได้มาสัมผัสกับมันแล้วสิ่งที่ให้เกิดความสุขก็มีอยู่โลกอันนี้นะไม่ใช่มันให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนะ นี่แหละคนเรามันหลงติดรสชาติแห่งความสุขทั่วคราวนี่แหละอย่างหนึ่งก็เมื่อมีพัมีเมียมามีลูกมีหลานมาแะ้วแับนี้ไม่ได้ภาวนาให้รู้เท่าสังขารความเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะยังหลงสำคัญว่าลูกเราหลานเราอยู่อย่างนี้ นั่นแหละไม่ละอุปาทานอันั้นมันทำให้มาเกิดอีกเมื่อเวลาจวนจะตายก็ห่วงเมื่อตายไปแล้วจิบยรนยานก็หว่หวงลูกห่วงล้านห่วงเหล็นหล่อนเข้าไปทีนี้จิตใจมันก็ไปเกิดที่อื่นได้ไม่ได้แล้วมันก็วบเวียนอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็เข้าไปท้องลูกท้องหลาน จิตวิญญาณนี่น่ะเพราะมันห่วงนี่บัดนี้พ่อแม่กลับเกิดเป็นลูกออกมาเลยลูกกลับกลายเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปแล้วผูกพันกันอยู่นี้แล้วเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้อบรมฝึกฝนจิตใจขงตนให้มันดีจริงๆง อย่าให้ดีธรรมดาให้มันรู้จริงตามไม่จริงดังกล่าวมานี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมา